พระธรรมเตศนาจากดดเรื่องนางนวลคำผูกติดเจ็ดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเชียงตุงโดยป่ออินสมชัยชมพูปเปรียนทำหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไา้นาาาาะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสมมาสัมพุทธ h ấ สั ตาะมิงคาเดเตพาตาโรปิโตนวาจานังสุดปาตีสาธาโวดุราสปูริจตาตั้งลายตั้งยิ่งใจม้วนมูอันนั่งอยู่ฟังธรรม จุงดาจำติดต่อตามบาทข้อบานี้วาตสมิงคาเนเตพาตาโรดังนี้เป็นต้นบาดนี้แดเตอรตสมิงคาเนในคาดา น, นันใสตนเต่าไทยสุราเมากับตาสวราหนองเนา ฟังป่อเจ้าไข่กัมพิษกองทำลายหลากพี่น้องหากมองขีดใจบดีไม่มาดนำตาญาติว่าปังย้อนได้ฟังกำมป่อตาลถอยต่อมุสาวาสันได้จ้าป่อไทยบม่มาไฟเจ ย, ยบานจ้ากำมหันกดเลียว บิดเบี้ยงเบียวเสียทำสองบุญนำยอดเงาบู่เก่าสันได้จริงจะไขต้านต่อว่าพี่บ่อใจป่อเราราบ่อใจมานดาแม่น่าตามดังข้าไขาจ่าจุงเร็วมาอย่าจ่า รับเอาแผ่นผ้าพื้นแป้งตั้งคำแดงก้านใหญ่ตามมักไฟจูอันอันกันไขปันจบจอดสองเจ้ายอดบุญนาก็เอาวัฒนาแผ่นผ้าตั้งเครื่องงาออลังการเงินคำค้านหลายสิ่งมีการยิ่งหลายอันยกเหนื่ปันต่อน้า ว่ายาได้จามาไว้จุงรับไปเต็มบาจุงเอากว่าเต็มแรงแก้วและแสงก้าใหญ่เอาตาไปใจวังแดดเตอี์นั่นเศรที่ผ่านใจหยาบกับนางบาปอรดีเนี้ออันจุลีต่างเก่าไวเต้าเจ้าผาปรา โอ้ท่งป้าอันใหญ่เงินคำใส่เต็มแรงตังของแป้งก้านยิ่งมีหลายสิ่งหลายอันใสปกปันปอหับแล้วก็ขาบอำลาเรีบยบไกลกาปิกปอกวายนาออกเวียงไปก็มีหันและนาะ อันว่าเศษธี่ผ่านผู้เทากับลูกเตาเมียแป้งหาบคำาแดงก้ามาอกอกไปจากเพียงใจเตี้ยวตั้งไปเข้าออกนักลำหมกเหลือแรงใจมันแข่งบอพ่แรงซ้ำอ่อนเดือดลายก็เอพันพายหลยตั้งไปแล้วยังหลหน ตั้งสามคนหิวหอดก่อเข้าจอดริมต่างกันว่าวางหับแล้กก่อจกพอแก้วเงินคำว่าสั่งนักนำใบบอดเตียงบอดแกหากวนเราราสอนไว้ฟังไห้ไตดินด้านบอกฮือนานเดินจากก้อยปอกนามาใจ แล้วเอาไปจ่ายใจยเลี้ยงสืบใสเป็นหนตั้งสามคนจกพ่อหันแจ้งต่อสายตาปูนสังกาหลายหลากแก้วแวนมากน่านำตั้งเงินคำลายแหลกายเป็นแห่หินซ้ายอาฟ้อนหลพื้นไม่เอายัดใส่ทงป้า จกออกมาพอแจ้งเป็นตองแห้งตังมวนปูนดีกวรเหยื่อแต่ว่าเป็นแต่อันใดบมด่มีไผ่หูใดหม้อห้องหมอนใมโจ้คนคนต่างเววนต่ำก้อยเหือไหลย้อยเป็นสายนางผีพายแม่น่าก่อร้องดาพะพาย ว่าหินดินทรายนี่เล่าแม่นเป็นเจ้าในเมืองมันยินเครื่องโคตรหม่บังตาใส่ปันมาปากมันจะภายโผดใจมันหอดอา ร, รมปากไค่กำอ่อนอ้อยใจมันถอยตะรุนปากเป็นบุญแต่เล่าใจกำเศร้าฮึกคาน หันกูผ่านเข้าไก่นบน้อมไว้ขอวอนป้อยจุลอนต่อหน้าปันสายกว่าป้าบ้ามันปลาลาอยากจากกูจักขามันตายนางผีพายใจบาปกา่าคำหยาบนานารีปบลุกมาฝังเป้าจากไปสู่ดาหวหอใจเพื่อจักไปตานต่อ ดาเจ้าหนอบุญเรื่องเฮเจ้าเมืองจู่ผู้ใดผำมหูเล่งหันยังไปตั้งกากระดกยกใหญ่บาดเดินเตียวไฟเป็นเปลวทั้งคืนตั้งแต่พื้นเอเวจีนังออรดีบาไฟก็ตกลงใส่สับพันเศษที่หันต่อนา กับลูกลาเด็กใจยินกว่าตายลำหมอกกรีเปลนออกมนีไปเกาะมีหันแหลนาะตามัทังปะกาเซนโตัศรัท ธ, ธาศราาัท ธ, ธาอันวาสัพปัญญูนยอดซอยหันบัทอยบาลี บทหลังมีไปแจ้งพระจริแสงเตสะนาวาเตตังติจสาวาลญิ่งสุดังนี้เป็นต้น <c oughs> เพฆาวดดุราพิโุตั้งหลายอันเป็นสายอริญญาจ่าเจือนักพาทธรงยานส่วนเศรษฐีผ่านผู้เทากับลูกเต้าสุดปลาย ดันนงพายหยาบจะตกหลอดนาปะทะวีใจบดีสะดุ้งสติฟุ้งเววาขัวหมระนามวยหมอดดังนางใบบออรดีผูกาลีห้าวหาดมันก่อขึ้นขาดในใจ ว่ากันกูไปตีเก่าไปหาเจ้าทรงเมืองเต้าเตียงเครื่องโคตรหม่จับยับใส่ตันดะกําจักตุกนำลำลนบ่ได้ปนต่างตายกวนพันภายนี่กว่าเอาต่างนาเป็นไปมันก่อไว้ดวนหาวเล่นเข่าดาวดงเขียว บ่ได้เลียวแลพ่อยังลูกหนอใจรำบ่จะทำร้องสั่งเล่นนาตังนีหายส่วนเด็กใจลูกลาเป็นกำผ้ากางเปลตัวคนเดียวข้างอยู่บ่มีกูพ่อสองน้ำตาน้องอาบน้าใจปั่นบามองวน เล่นถอยห่นปอกเตาอวัย้าเขาเวียงใจแล้วก่อไปน้อมไว้สึงเตาไทยผาปาราไขขีนยาบอกเล่าือเต้าเจ้าตามมีแลยนะอง <c oughs> สุดตวัวส่วนพาญาสุรเมฆราชกับอุปราชทอํำได้ยินกำหูข่าวอันน้องเก่าไขปัน อกเป็นควันปั่นไม่คนิ่งไข่ไปมาวาดย้อนปี่ตานั่นใสบอ่อ ต, วตัวไตตามทำใดใค่กำต้านต่อเป็นบาดคอหมูสา <c oughs> ย้อนตันหาจากกลาคือป้นจากกองดีรีบปลี่นนีาักนาบอ่อกว่าตั้งใดส่วนนางจังไรแม่นา ตกหลอดนาปตาวีลงอเวจี ต, ต่ำตายย้อนบาปใหญ่เหลือลายปั่นต้นใจนี่เล่าแม่นเป็นนองเนาเร า, รารามีนามาเมื่อก่อนว่าเจ้าน้อยอ่อนรัตนะกุมมารได้ตกผ่านกันอยากตกลำบากเครื่องกากรรุมราเลียงไว้ เอออยู่ใกล้หอในกันกึดใจดังดีแล้วก็เือน้องแก้วรัตนะกุ ม, มารได้อยู่สำราญเตรียมบาทในภาษาต์หอคำก็มีฮันแหล่นาตาตาเอกราชาวิเตหนาะกเรัจังการตาในกาละนันส่ยังมีเตาาไทยบุญเรือง สมอเมืองวีเตหราเตจะอาจฤาจุมพาจาผัน้อยบ่ต่ำก้อยมองผ่านโจนผัมอหน้อยใหญ่บ่มาไกลเบียนขี้เขานํามีหลายแหล่โลกไม่แพ้เต็มเมืองคนนั้นเนืองลาลัดบ่หูขาดคืนวัน ดหมวลงั้นทั่วดาวไข่เขียต้าวภูมิเจ้าปูรียศดใหญ่มีลูกนอไทยใจนิ่งสองเป้าพิงพี่น้องเกิดรวมต้องเดียวกันน อ, อจันผู้กเก้างามบ่อเศร้าเป็นใจรูปขิงภายองอาจจืเจ้าน้อยนาดพีมะเสนา หลกถัดมาดันเล่าเป็นนอเนานารีชมดังดีล้วนทวนงามเลิดล้วนเดือลายมีจื่อหมายบอกไว้ว่านางนอดอไทยลวนคำโยพาษจำภาษตีห้องราดไปในกับแม่ใส่ใจแม่เจ้าทุกคำเจ้าขึ้นวันแลยนะ โซราจาป ต, ต่อส่วนราจกุ ม, มานปีเก้าคือว่าเจ้าพีมะเซนากันมีวัยยาขึ้นใหญ่อยายุได้สิบหกปีก็ตาุงิทธิเอกอังมีแหงเต่าจังปลายสานมีใจหันอยาบ้าถือดับกากับตัว บ่อหูกวัวสักผูกาอันอยู่บนดินย่อมยกหินก้อนใหญ่ลวงกว้างใดเพราะว่าสัตว์ไปมาดีดเล่นบ่อได้เว้นวันไดกันสัตว์ไปบนอากาศก้อนหินหยาดลงมาปาสุธาไว้วันกองสะนันตั้งเมืองกันยามเผืองโขดใหม่ สยองได้ปันว่าแล้วลงมาตีเก่าคนหนุ่มเท่าเล่งหันต่างงึดกันจูบุจากเกาอูนานา <c oughs> วราจาบุตานี่ใส่ริษที่ใหญ่เลือกคนกันแต้นตนเจ้าฟ้าถึงเมือ่อนาวันดุนจักมีคุนมากกว้างไผ่บ่อ้างราวี จุมสัตนีจากดาวร้อยเอต้าวคาบสมพานปั่นมาการมาเต้าไหลหลังเขาตั้งวันบ่ยาจ๊และนะ <c oughs> สุราจาส่วนพาญาตนปอขึ้นใจต่อบุตตาจริงมีอาถยาปงใสเพื่อเป็นขุนใหญ่แก่เมืองจุมโยทะเรืองอามาต อาจารดนิ่งใจไพ่ไต้ลายหนุ่มเท่าหูวเต้าเจ้าหอใจเฮใส่ใจนอไทยเป็นคุณใหญ่แกเมืองเขาดันเมืองตัวดาวหอร้องเศร้ายินดีก็มีหันและนาะ สอาป า, าราจ่าธิตาส่วนราจ่าที่ดางามอาจคือนางน้อยนาจนวลคำอยู่พาคจำคำเจ้ากับแม่เจ้าสายตามีนางกัญญาหลายแลวังแวดแห่เอาใจก่อจำเริ่นไว้ขึ้นใหญ่อาอยู่ได้สิบหกปี รมณ์ชมดีใจจ้าดังดางฝ้าสาวสวัสดีนาตาบันจีนจ้อยย่อมก่าท้อยกำไยย่มจกใครยิ้มแย้มสองฝ่ายแก้มเพียผิวคัมบ่จะกกำหยาบจ้าบ่จ้างดาคนใด มีหอระไทแผ่กว้างหุ่มก่อสร้างตัางบุญหูยังคุณพ่อแม่คุณเท่าแก่วงสาญน้ำนังจะออกปากกันถ้าหากหอมไก่ถ้าหลบไปตั่วห้องไว่เคตต้องหอควางกินปากน้งหอมออกดังกินดอกบัวหลวง คนปันปวงลมเทาเมาฮักเจ้าโชมสีเจ้าปุรีทเทาแก่บ่วเว้นแวคนใดต่างคันนิ่งได้ใจใครใดยังดังหยอดนวนคำพ้องลงลำลมปากกันถ้าหากเอาใจกันคนใดได้พ อ, อยังดังนอบุนมีย่มหายมองขี้มน้ำเส้า หายอยากเขาแลลง่ายจุมคนใจเทา่ทาเท่าตั้งมูบ่บาวแร่วร่าตัวบ่งามต่ำต้อยเจือไพน้อยหลังลายก <c oughs> ่อนยังมยยไม่ไขใดยังแกอหนอไทยนวนคำย้อนตกลำบไอปากตีแต่หากเมาลมอันจักสมไฟอ้างก็บลางจากักมีแลนะ สเปราจานโอส่วนพญาตั้งลายต่างดาวอันเป็นเต้าเมืองไกยินข่าวไปรอดทองพระเตต้องเมืองตนต่างเม้าวนปันบาตามกำ่าหรือ้าต่างเร่งดาตกแต่งตามปิมแปงโบราณเงินคำคานแผ่นผ้า ตังโมคานิจจัยจังมาลายเดือแลอามัตแหนำไปรอบเวียงใจวิเตหราชอภิวาตทุนสรัราทวายปัญญาการบาเต้าแก่เต้าเจ้าวิเตหราชขรราชธิดาอ่อนน้อยไปเป็นกู่หอยเตวี เจ้าปุรีน้อยใหญ่บ่าวไก่และไก่ป้ากันไหลลังเข้าเสียงอดเอ้าตั้งวันวเจ้าหอจันตนพ่อบ่ปันดอธิดาแก่พญาต่างดาวเรือลูกเต้าเมืองใดเนียยมีไัยมาตองใ น, หนแห่งห้องปุรีว่ากันปันใสาซาลีลูกเต้า แกเต้าเจ้าเมืองได้เจ้าหอใจตอนอื่นบ่ได้จืนส ม, มายจักโคดลายมาดไม้ยกซึกใหญ่มาจนจุมรีปนภไผน้อยจักตำก้ อ, มอยมองผ่านเต้าผู้บ้านวิตเตหาราชกานิ่งขวาดนานา เต้าเจียนจ่าต่อถอยว่าคอจุงก้อยรอไปขออดใจอยู่ท่าฮือลูกลาบุญมีจำเดินดีขึ้นใหญ่อายยได้ถึง้าก่อยมาสาวสืบซ้อนเอานางอ่อนเมื่อเมืองแดตหวาน เมื่อนั้นพีมาเสนาผู้หาโอโรต้าวิเตหร า, าอันเป็นพ้าตาปีเก้าแห่งนางนอเนานวนคำโดยนินกำป่อเจ้าออกปากเล่าเจนจาสึ่งพาญามวลหมูอันมาเฝ้าอยู่หอนหนเพื่อขอใส่ใจน้องไทย ไม่เป็นใหญ่เตวีมอนก่อเครื่องขี่โคดเทาร้องเอิ้นเปล่าผ้าพายว่าดูระเต้าตั้งลายเฮยทวนนาแม่นเจ้าฝ้าตนใดยินมีใจใครใดยังนางนดอไทยลวนคำจุงฟังคำข้าเก่าพิว่าเต้าตนใด เรียเปลวไว้ฮับใดยังกอนหินใหญ่พ่อตาอันตกมาจากฟ้าแล้วสัดกว่าไปปันคาจักปั่นดังนาดไปเป็นราติวีแก่เจ้าปุรีนันเล่าตามเงื่อนเก้าปฏิญยากันมันจะาเสียงขาด กอย้ายบาดภายพันด้วยเรียวปันไว้ว่องลงจาก้องผางกากำหินพาก้อนใหญ่ลวงกวางใดปอบว่าลวงขวางและนาสามศอกมันยกออกมาไว้แล้วสัดไปบนฟ้าปอมเมกฟ้าไปาบน จุมหมูคนน้อยใหญ่แตกตื่นไข้ผ้านีกลัวเป็นผีมวยหมอดพ้องเต่าตอดแต่งกันเสียงเนื้องด น, นสะสู่เล่นเป็นหมู่เป็นสายและมาเทโกราจาในกาละนันไสยังมีเต่าไทยทรงเมือง ริที่เรื่ององอาจจือสุริยราชผู้มิอยู่ปุริเตตต้องคงเขตทองมิทีลามีกาญ่าสูงใหญ่ซักลายไข่ตั้งตัวถึงบนหัวพับจอดผมกอหอตาปังมีหูดังยาวสูง เขียวงางงเบือนห ม, มูมีสองหูเงาใหญ่จุบแจงไข่หมุนยำได้ยินกำเอื่นเปล่าแ <c oughs> ห่งเจ้าดอกเต้าพีมาเสนากอลีลาใหญ่บาดลงภาษาเตียวไว้บ่อนีไก่ถอยร่นพ่อหินล่นลงมา จากเวหาฝากฝ้าบ่อได้จ่าสับปันก็เต็นภายพันไว้ว่องขึ้นสู่ห้องเวหาเอามือขวาฮับใดยังก้อนหินใหญ่บัดเดียวแล้วรีเปลียวซัดกว่าไปตกกลางป่าดงนา แล้วลงมาตีเก่าปากต้าเหล่ากำไปว่าดูระนอหอใจอุปราชพี่ดังนาดนวลคํ า, ค า, าต้านไขกกาเอิญเป่ากลางหมูเต้าตั้งลายยากก่าวได้ปางเป่าจุงปันน้องเจา้าบัดเดียวเราจะเหลียวปิกปอกวายหน้าออกเมื่อเมืองบัดนี้และนะ เมื่อนั้นพิมาเสนาหาเท้าก่อต้านเก่าวเร็วไว้ว่ากรำอันใดข้าเก่าวซึ่งบูเต้าตั้งลายบ่อเก่าวได้ปางเป่าเป็นเชื้อเจ้าปุรีสัตจะาบีมันเตียงบ่อบิดเบี้ยงเสียกรคำจักปั่นลวนคำนองเนา แก่เต้าเจ้าดีดเจ็ดวันมีไปนาขออยู่ทาดากอยจักแปงป้อยอันใหญ่กินแขกไว่ตั้งเมืองหฮือนเ น, นืองมีกองตัวเขทองป ร, ราตั้งพระาจูผู้ขอท่าอยู่กินป้อยแดเตอ เมื่อนั้นจุมภาญาต่างดาวฟูบอได้เน่าขอนางพ้องใจจางบนเ้ารีบไต่เต้าขึ้นหนปอกเมืองตนบอดจ้าพ้องอยู่ทารอราจเววาปันกว้างบอสมไฟอ้างคานิ่งหมายพ้องจาดีได้แต่ปาก ใจแต่หากเงาในเงนียาใสจ่จื่อใใจต่ำก้อยขี้มองพ้องใจปองไข่พอก็อดอยู่ต่อรอ ร, อราก็มีหันและนา่าโสวิเตหราชส่วนพรญาวิเตหราชก็เฮื อ, อามาตคนในสัญญาไปไข่หอง ตัวเขต้องปาราือเสนาอามาตุโรฮิตาจาัดอาจารย์รีพ้น ห, หนันหอยใหญ่ตั้งไผ่ไตคนในเอากันไปม้วนหมนูมวนเล่นอยู่เจบ้านในอวิญญาณส่วนดอกคนไปนอกเพียงใจแต่วันนี้ไปเป็นเก่า หาราบต่อเต้าเจ็ดวันหื้อมวนงง้นจูผู้ตามใจสู้ยินดีมะหอระสมีจุอย่างคนได้จ้างอันใดหเฮื้อแต่งไปกูเชื่อตามไฟเอื้อคนิ่งหมายพอจะน่าลายเขาเรามีมาเต้านำนา เจ้าปารานยศใหญ่เห่อแต่งไหวจูอันอันจุงป้ากันไหลออกไปไปนอกเรียวไว้เหตุเจ้าหอดใจยศใหญ่จะเจ้าเคยใหม่บุญเรื่องจริงเื่อเจ้าเมืองไผ่ไต้สนุกไผ่หนิงใจแหลนะ ที่นั่นจุมเจ้าเมืองตัวดาวหัวแจ้งข่าวสัญญาต่างสมมานาสาจืนสูออกไปสู่อุยนานเล่นสำราญหลายนลากตามเต้าหาักพระทรงก็มีวันนั้นแหละนะเนธเิตังขีญาสังวันนาณนวาิเศษจะห้องเหตุนางดวนคำพวกดวนเจ็ด ก็บังคมสมฤตเสรจ็จแล้วเท่านี้ก่อนแล้ว